วันนี้ก็เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้พุทธศาสนิกชนมาทาบุญกันวันทาบุญคือวันพระเพราะการทาบุญนี้เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับจิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกาย ร่างกายต้องการอะไรร่างกายก็ต้องการอาหารถ้าไม่มีอาหารร่างกายก็อยู่ไม่ได้เราต้องรับประทานอาหารทุกวันใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายใจก็ต้องมีอาหารอาหารของใจก็คือบุญถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆใจเราจะมีความสุขใจจะมีความอิ่ม จะไม่หิวโหวยจะไม่ทุกยากลำบากนี่คือวันทำบุญวันให้อาหารกับใจวันอื่นเราก็ไปให้อาหารกับร่างกายเช่นวันเมื่อวานนี้เราก็ไปหางานหาเงินทองกันทำงานทำการ เพื่อเราจะได้ใช้เงินทองซื้ออาหารให้กับร่างกายถ้าเราไม่มีวันพระเราก็จะไม่มีวันที่จะมาทาบุญกันพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดวันพระขึ้นมาเดือนละสี่ครั้งป ร, ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาอาหารให้แก่ใจ เราเลี้ยงจิตใจให้ใจมีความอิ่มน้ำสาราญถ้าเราไม่ทำบุญเราลัวแต่เลี้ยงร่างกายถึงแม้ร่างกายจะอิ่มมีพีมันแต่ใจจะหิวโหวยเวลาที่ใจเราหิวโหวยเราควรจะทำบุญกันแต่เราไม่รู้เรามักจะไปเลี้ยงร่างกายกันเวลาหิวก็ อาหารมาให้ร่างกายกินให้ร่างกายกินจนกลายเป็นตุ่มมันก็ยังไม่หายหิวมันก็หิวอย่างนั้นเพราะที่หิวคือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ถ้าได้อาหารวันละหนึ่งมื้อก็พอแล้วไม่หิวแล้วรับรองได้แต่ที่หิวทั้งวันทั้งคืนนี้ไม่ใช่ร่างกา ย, ากายาาากที่หิวทั้งวันทั้งคื น, น, ค, นคือใจ แทนที่จะเอาบุญเอาอาหารมาให้กับอาอาหารใจคือบุญกลับไปเอาอาหารมาให้ร่างกายร่างกายก็เลยใหญ่โตเกินความจำเป็นกลายเป็นตุ่มไปเสียศูนย์เสียความสวยความงามเสียหุ่นเสียโซดเสียทรงร่างกายปกติจะสวยงาม จะเป็นรูปเหมือนรูปขวดขวดโคกเนี่ยมีโค้งมีว้าวอาถ้าไม่ให้อาหารใจนี่บแต่ไปให้อาหารร่างกายร่างกายก็เลยกลายเป็นตุ่มไปทุกวันนี้โล ก, กเรากำลังให้อาหารผิดที่กันอย่างนี้ก็มีสถิติว่าคนหนึ่งในสามเป็นคนอ้วน เพราะเขาไม่รู้การทำบุญทำบุญไม่เป็นกันเนี่ยประเทศที่จเจริญทางวัตถุนี่เขาทำบุญกันไม่เป็นร่างกายเขาถึงใหญ่โตเป็นคนอ้วนแต่ประเทศที่เป็นเมืองพุทธนี่คนอ้วนจะมีน้อยเพราะคนเมืองพุทธนี่รู้จักวิธีให้อาหารกับใจ ทำให้ใจอิ่มใจอิ่มใจก็เลยไม่ต้องกินอาหารมากดังนั้นเราควรที่จะมาศึกษาว่าบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำบุญที่เป็นอาหารสำหรับใจเรานี้มีอยู่กี่ชนิดบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารทางร่างกาย มีหลายชนิดด้วยกันอาหารทางร่างกายก็มีผักมีข้าวมีเนื้อมีกับข้าวกับปลามีของขาวของหวานมีขนมนมเลยมีของเสริมอาหารเสริมเครื่องเดิมต่างๆใจก็อาหารของใจก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน บุญที่พระเจ้าสอนว่าเป็นอาหารของใจนี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกันถ้าเราได้ทําบุญได้รับประทานอาหารทางใจเราจะมีความสุขใจอิ่มใจอาหารทางใจนี้ก็แบ่งเป็นอาหารหลักกับอาหารเสริมก็ได้อาหารหลัก ของน่างกายก็คือกับข้าวกับปลาอาหารากับข้าวกับปลาถ้ามีข้าวมีกับนี่ก็กินก็ประทังชีพได้แล้ว ถ, ถึงแม้จะไม่มีของหวานไม่มีขนมไม่มีผลไม้ไม่มีเครื่องดื่มไม่มีอาหารเสริมก็อยู่ได้เรียกว่าอาหารหลักบุญที่เป็นอาหารหลักก็มี บุญที่เป็นอาหารเสริมก็มีมุญสิบชนิดนี้แบ่งเป็นสองพวกพวกที่เป็นอาหารหลักกับพวกที่เป็นอาหารเสริมอาหารหลักก็คือต้องมีอยู่เป็นประจำต้องกินเป็นประจำเหมือนเหมือนอาหารทางร่างกายต้องกินข้าวกินกับเวลากินข้าวนี่ต้องมีกับใช่ไหมส่วนอย่างอื่นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ขนมมีก็ได้ของหวานมีก็ได้ผ ล, ลมม ไ, ไม้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ของหลักต้องมีคือต้องมีข้าวมีกับอันใดอาหารหลักของใจก็เหมือนกันอาหารหลักของใจที่เราควรที่จะมีกันเป็นประจำกินกันเป็นประจำก็คือหนึ่งทานทานคือการทําทานการให้ การแบ่งปันการเสียสละเรียกว่าทานเช่น <Okay. S 1> เรามีอาหารเหลือกินตอนเช้าเห็นพระมาบิณฑบาตเราก็แบ่งอาหารที่เรามีนี้ใส่บาตรไปก็เรียกว่าเป็นการทำทานเป็นการให้อาหารหลักเหมือนให้กับข้าวกับปลากับใจนี่คืออาหารหลักข้อที่หนึ่ง ที่เราควรจะทำกันเป็นประจำหมู่บ้านไหนที่มีวัดนี่เขาโชคดีเขาได้ทำทานกันเป็นประจำก็จะมีพระมาบิณฑบาต ท, ทุกวันเขาก็เลยได้รับอาหารใจกันทุกวันได้กินอาหารใจได้ทำบุญทุกวันด้วยการใส่บาตรพระสำหรับญาติโยมที่ไม่มีพระผ่านมาทางบ้าน แต่อยากจะทำทานเป็นประจำอยากจะให้อาหารใจก็สามารถให้ผู้อื่นก็ได้ให้ขอทานก็ได้ให้คนยากคนจนก็ได้หรือถ้าอยากจะให้กับพระแต่ยังไม่เจอพระก็จะใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้เช่นวันหนึ่งใส่วันละห้าบาทสิบบาทเป็นาเป็นการทาทาน แล้วพอเวลาไปวัดก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนี้ไปถวายวัดไปอันนี้ก็เท่ากับได้ท ำ, ทำบุญใส่บาตรทุกวันการทำทุกวันนี้มันจะทำให้ทำง่ายเพราะมันจะเป็นนิสัยถ้านานๆทำทีนี้มันจะทำยากเพราะมันไม่เป็นนิสัยหนึ่งสองความหวงเงินหนึ่ง ความตนันเงเงินสองสามไม่มีเงินจะทำเพราะพอมีเงินก็เอาไปใช้อย่างอื่นหมดไปเที่ยวไปกินไปย่งไปเล่นก็เลยจะไม่ได้ทาทำทานนานๆจะทำทักทีเวลามาวัดก็เลยทำได้ทีละนิดเท่ะหน่อยเพราะเงินอาจจะไม่มีมากสองถ้ามีมากก็เสียดาย ถ้านานๆทำทีมันเสียดายล้วทำทีมากๆก็จะเสียดายแต่ถ้าเราทำเป็นประจำทำวันเล็กวันน้อยพอเวลาที่เรามาวัดเงินที่เราใส่กัปลกไว้นี่จะกลายเป็นเงินมากขึ้นมาวันก่อนมีโยมคนหนึ่งเอาเหรียญมาให้ต้องถุงเบ้อเริ่มเลยเอาไปรากได้ต้องสองพันกว่าเนี เขาใส่วันละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญไปมีเศษเหรียญก็ใส่ไปใส่ไปแล้วเขาก็มีความสุขใจทุกวันเพราะเขาทำเป็นประจำทำเป็นนิสัยในการกระทำอะไรถ้าทำเป็นนิสัยแล้วมันง่ายถ้านานๆทำทีมันยากถ้าเราปีหนึ่งทำบุญสักครั้งวันเกิดวันอะไรนี้มาทำสักครั้งบางทีก็เสียดายเงินกัน ทำก็ได้นิดเดียวใจก็ลยหิวโหยใจหิวโหยนี่แหละที่จะไปเป็นเปรตต่อไปถ้าไปทำบาปด้วยถ้าไม่ทำบาปก็ยังไม่เป็นเปรตแต่ก็จะเป็นเป็นมนุษย์ที่หิวที่ยากจนเวลากลับมาเกิดเวลามาเป็นมนุษย์ก็จะยากจนสมมติว่าถ้าไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบุญ เวลามาเกิดตายไปก็จะมาเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ยากจนเพราะไม่ได้ทาบุญทาทานเพราะบุญนี้ส่วนหนึ่งนอกจากเป็นอาหารแล้วก็เป็นเงินสารองเหมือนกับเงินที่เราเอาไปฝากในธนาคารเราฝากในธนาคารถึงเวลาเราต้องการเบริกเราก็ไปเบิกที่ธนาคารได้ เงินที่เราทำบุญในชาตินี้ก็เหมือนกับเงินที่เราไปฝากธนาคารพอเราตายไปกลับมาเป็นมนุษย์เราก็มาเบิกเงินที่เราฝากในธนาคารได้มาเกิดเป็นลูกคนมีฐานะมีเงินมีทองไม่ต้องไปเป็นขอทานพวกที่มาเกิดเป็นขอทานกนเนี้เราไม่ได้ทำบุญทำทาน ถ้าไม่ได้ทำบุญทำทานแล้วทำบากด้วยตายไปต้องไปเป็นเปรตก่อนพอเป็นเปรตพอพ้นจากเปรตกลับมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นขอทานอีกขอทานทางโลกทิพย์คือเปรตขอทานทางโลกกฐาด น, นี้คือขอทานเป็นผลที่เกิดจากการไม่ทำทานเป็นประจำไม่เป็นไม่ทำบุญทำทานเป็นประจำ พวกที่ทำบุญทาทานเป็นประจำนี้ถ้าไม่ได้ทำบาปตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปเป็นเทวดาแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนมีฐานะพ่อแม่มีเงินมีทองถ้าทำบุญแต่ทำบาปด้วยก็ไม่ได้ไปสวรรค์ต้องไปเป็น ต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานแต่เป็นเดรัจฉานที่สวยงามเป็นหมาที่สวยงามเป็นแมวที่สวยงามมีคนเอามาเลี้ยงเหมือนลู ก, กอันกอดบินบาตมีคนใส่หมาสามตัวในล้อเข็นสำหรับเด็กเลี้ยงหมาอย่างกับเลี้ยงลูกเพราะมันน่ารักดูแล้วมันน่ารักพวกนี้เคยทำบุญตอนที่เป็นมนุษย์ แต่ยังไม่รักษาศีลยังทำบาปอยู่ยังขงโมยของยังกินยังไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ตายไปเลยยังต้องไปใช้กรรมใช้บาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เนื่องจากได้ทาบุญไว้จึงเป็นเดรัจฉานที่สวยงามเป็นหมาสวยงามเป็นแมวสวยงาม ถ้าเป็นปลาก็ปลาสวยงามก็ไปเลี้ยงในตู้ปลาเงินปลาทองเนี้ยตรงนี้เป็นเพราะว่าทําบุญแต่ไม่รักษาศีลแต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มาเบิกเงินที่ฝากไว้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในฐานะที่ดีแต่ต้องไปใช้บาปก่อนแตถ้าไม่ได้ทําบาป ไปก็ไปเที่ยวสวรก่อนไปเป็นเทเวะดาก่อนนี่จึงเปนเหตุที่พระเจ้าสอนให้เราทําบุญข้อที่สองที่เราบุญที่เราควรจะทําเป็นประจําคือการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปห้าประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เหื่อมสลายยามเมา ถ้ารักษาศีลทั้งห้าข้อนี้ได้ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าไม่ได้ทาบุญตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะมนุษย์คือผู้ที่อยู่ระหว่างกลางของบุญของบาปถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็เป็นมนุษย์ถ้าได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็เป็นเทวดา ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาป ก, ก็เป็นมนุษย์ถ้าทำถ้าทำบาปไม่ทำบุญก็เป็นเปรด เ, เป็นเดรัจฉานเป็นนรกเป็นสัตวน์นรกดังนั้นเราต้องรักษาศี่ห้าเป็นประจาให้ได้ถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาบ้างไม่รักษาบ้าง เราก็มีช่องมีโอกาสที่จะไปเกิดในอบายได้เวลาตายไปนี้ใครจะเป็นผู้ที่มาตัดสินว่าเราไปสวรรค์หรือไปอบายหรือไปเป็นมนุษย์ก็คือบุญที่บุญกับบาปที่เราทําอยู่เนี่ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ดึงเราไปสวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปอบาย ถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันมันก็จะให้เรามาเป็นมนุษย์กันดังั้นเราต้องพยายามทำบุญให้มากกว่าบาปถึงแม้ว่าเรายังอาจจะไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ครบทุกวันทุกข้อก็เอาวิธีทำบุญมาช่วยถ้าเราทวมบุญมากกว่าบาปเวลาตายไปบุญที่เราทำนี้จะดึงให้เราไปสวรรค์ก่อน แ้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันเราก็จะมาเป็นมนุษย์ก่อนเราจะไปอบายก็ต่อเมื่อเวลาที่บุญน้อยกว่าบาปเช่นถ้าชานี้เราทำบุญน้อยกว่าทาบาปตายไปเราต้องไปอบายไปในที่ใดที่หนึ่งสี่ที่ด้วยกันในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปเป็นสัตว์นรก ไปเป็นเดรัจฉานก็เพราะว่าทําบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปคิดว่าไม่เป็นบาปพวกที่มีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาคิดว่าไม่บาปเขาคิดว่าเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเป็นความจําเป็นก็เหมือนกับเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาบาปเดรัจฉานเขาก็กินจัดเล็กสัตว์น้อยกันเขาก็ไม่รู้ว่าบาปแต่ก็ต้องกินก็ต้องเลี้ยงทีพเขาด้วยการฆ่าผู้อื่น ผู้ที่ทำอาชีพค่าผู้อื่นเป็นการเลี้ยงชีพก็เหมือนกันก็เป็นเดรัจฉานเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นตั้งแต่ยังเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี่ได้กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดในอบายอย่าทำบาปหรือถ้าทำบาปก็ให้มันน้อยกว่า บ, บุญทำบุญให้มากกว่าบาปทุกครั้งไป แล้บาปเก่ามันยังจะไม่สามารถดึงให้เราไปเกิดในอาบายได้แต่บาปมันก็สามารถที่จะส่งผลในขณะที่เราเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์นี่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอาจจะถูกเขาโกงไปก็ได้ถูกเขาหลอกยืมไปแล้วก็ไม่คืนเพราะชาติก่อนเคยไปโกงเงินของคนอื่นเขาให้คิดอย่างนี้จะได้สบายใจ ถ้าใครมาโกงเงินเราไปนี่คิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าใช้กรรมเก่าชาติก่อนเราเคยทํากรรมมาเคยไปโกงเงินของคนอื่นเคยไปลักเงินของคนอื่นเขาพอชาตินี้พอเรามีเงินเขาก็เลยมารักเงินของเราไปเวลาใครเข้ามากั่นแกล้งเรามาทําร้ายเราก็ให้คิดว่าชาติก่อนเราเคยไปกั่นแกล้งเขาเคยทําร้ายเขาะ ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องไปใช้กรรมในอาบายแต่เราเป็นมนุษย์ก็ยังต้องรับผลกรรมผลบุญอยู่ยันทางที่ดีอย่าทําบาปได้ดีที่สุดไม่ยากเลยการทําบาปการไม่ทําบาปกับการทําบาปอย่างไหนา ย, ยากกว่ากันการไม่ขโมยกับการขโมยอย่างไหนา ย, ยากกว่ากันการขโมยต้องไปจ้องดูว่าของเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่บ้านหรือเปล่าทางเข้าบอกทางบ้านเขาอยู่ตรงไหน ต้องใช้การศึกษาและต้องไปปีนป่ายขึ้นหนังคาข้าม ป, ปีนข้ามประตูรั้วเหนือหน่อยเหนยการไม่ทำบาปใหนั่งเฉยเฉยสบายกว่าไม่ทำบาปได้ผลดีกว่าการทำบาปการทำบาปได้ผลไม่ดีแต่ยากกว่ากลับไปทำกันแสดงว่างโง่ไหมโง่หรจะล่ะ คนจลาดเขาว่านั่งเฉยๆดีกว่าไม่ทําบาลดีกว่ายอมอดยอมอดยอมทนดีกว่าถ้าถ้ามันหิวไม่มีข้าวกินก็ยอมทนหิวไปดีกว่าดีกว่าไปขโมยข้าวกินแล้วจะกลายเป็นแมวขโมยไปยาการทําบาสนี่มันยากกว่าการไม่ทาําบาสนี่ตอนนี้ญาติโยมไม่ได้ทําบาสักห้าข้อเลยใช่ นั่งอยู่ตรงนี้ทําทําบาปอะไรบ้างฆ่าสัตว์หรือเปล่ารักทรัพย์หรือเปล่าอพิษผิดประเวณีหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าดื่มเชราหรือเปล่าทําไมทํากันได้ตอนนี้ทําให้มันได้อย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนได้หากทําไปมันก็ได้เองพอจะไปทําบาปก็หยุดมันห้ามใจไว้เตือนใจไว้ให้ให้เราเลือกถึงผลของบาปที่จะตามมา กำเรว่าให้มีฮิริโอตปะฮิริคือความอายโ อ, โอตปะคือความกลัวเวลาคนทํำบาปนี่เขาจะไม่มาอวดว่าเขาทาําบาปเขาอายเขาหลบๆซ่อนๆทํากันใช่ไหมเวลาไปมีชู้กันนี่เขามาเปิดเผยกันต่อหน้าชาวบ้านรู้เปล่าเขาไม่เขาต้องไปหลบเขาเขาไม่อยากให้ชาวบ้านรู้ใครรู้แล้วเขาก็จะตำหนิปนามว่าเป็นคนไม่ดี เวลาขโมยนี่ก็ต้องไปขโมยแบบไม่ให้มีคนรู้ถ้าคนรู้แล้วเดี๋ยวโดนเขาลังเกียจคนที่มีฮิริคือความอายในบากจะไม่กล้าทำบากคนที่มีโอตปะคือความกลัวผลของบาศทาแล้วกลัวว่าจะต้องไปติดคุกติดตารางกลัวว่าตายไปจะต้องไปเป็นเดรชานไปเป็นเปรตคนเราถ้ามีฮิริโอตปะแล้ว การทำบาปนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนดันที่พวกเรากลัวผิดกฎหมายกันเราถึงไม่ค่อยกล้าทำผิดกฎหมายกันนะพราะทผิดเดี๋ยวตารวจมาจาับนะจับแล้วก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางไปนี่นี่คือบุญที่พระเจ้าสอนให้เราทำประจำกันข้อที่สองเป็นบุญหลักคือการรักษาศีล ถ้าเรารักษาศีลได้ทุกวันตายไปไม่ต้องไปเกิดในอาบายถ้าทําบุญด้วยรักษาศีลด้วยตายไปได้ไปเที่ยวสวรรค์ก่อนกลับมาแล้วค่อยมาเป็นมนุษย์มาเบิกเงินที่เราได้ทําบุญไว้บุญข้อที่สามที่เป็นบุญหลักที่เราควรจะทํากันเป็นประจำก็คือภาวนาภาวนาแปลว่าอะไร ภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นกว่าเก่าเหมือนกับเราพัฒนาบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยดีเราก็ไปจ้างช่างมาตกแต่งใหม่มาปรับปรุงใหม่ทำนูน่นทำนี่เสริมคุณค่าของบ้านให้มันดูสวยงามขึ้นให้หน่าอยู่มากขึ้นใจเราตอนนี้เป็นเป็นได้แค่อย่างมากก็ แค่เป็นมนุษย์กับเทวดาถ้าเรารักษาศีลเราทำบุญทาทานตายไปนี่เราไปสูงแค่เป็นเทวดาเท่านั้นเราจะไปขั้นพรมขั้นพระอริยเจ้าไปไม่ได้ถ้าอยากจะไปเป็นเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้านี่ต้องมาภาวนาภาวนาก็มีสองระดับระดับพรมกับระดับอริยเจ้า ระดับพรมก็คือสมาธิสมถภาวนาคือทำใจให้สงบเวลาเรานั่งสมาธิกันพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ใจนิ่งสงบใจรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นฌานเป็นสมาธิพอได้ฌานก็จิตก็จะเป็นพรหมถ้าตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนี่คือสมถภาวนา ภาวนามีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนายกระดับจิตใจจากมนุษย์จากเทพมาให้เป็นพรหมแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกับพรหมระดับพระอริยเจ้าเนี่ยก็ต้องภาวนาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนานี้จะต้องสอนใจให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เช่นเงินทองที่เรามีกันเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีขึ้นมีลงมีมามีไปเวลาเงินมาก็ดีใจกันเวลาเงินหมดก็ทุกข์กัน เราห้ามันไม่ให้ไปไม่ได้มีเงินแล้วสั่งว่าเงินจะต้องอยู่กับเราไปตลอดต้องให้เรามีความให้ความสุขกับเราไปตลอดให้ไม่ได้เพราะเงินนี้มันมีช่องไปอย่าง้อยเราก็ต้องใช้มันถ้ามีเงินแล้วไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเราก็เลยต้องใช้เงินกันแต่พอใช้มันหมดมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกฉะนั้นคนฉลาด ก็อย่าไปใช้เงินกันอย่าไปมีเงินกันคนฉลาดที่ไม่ใช้เงินก็คือพระพุทธเจ้าพระสาวกเนี่ยพวกนี้เขาไปบวชกันเขาไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเขาก็เลยไม่ต้องทุกกับเงินทองไม่ต้องทุกกับลาบยศสารเริญไม่ต้องทุกกับตาหูจมูกลิ้นกายพวกเราตอนนี้ทุกกับร่างกายใช่ไหม เราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงอยากให้น่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่กน่างกายมันไม่เที่ยง ม, มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่พอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็าทุกข์กันพอเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพระพุทธเจ้าท่งค้นพบวิธีที่จะทาให้เรา ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คืออยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องยอมรับความจริงต้องทอดต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไปห้ามมันไม่ได้พอใจรู้ความจริงอันนี้แล้วใจยอมรับความจริงได้ใจก็ปล่อย ร่างกายให้แก่ปล oh ่อยให้ร่างกายให้เจ็บปล่อยให้ร่างกายตายเวลาผมงอกก็ไม่ต้องยอมันเวลาหนังเหี่ยวก็ไม่ต้องไปดึงมันปล่อยมันไปเวลาเจ็บไข้ได้ปล่อยรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเวลามันจะตายถ้าห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปถ้าใจปล่อยร่างกายได้ ใจก็จะเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันนี่คือการพัฒนาใจด้วยวิปัสสนาพระอริยเจ้าก็มีอยู่สี่ขั้นนอกจากขั้นโสดาบันแล้วก็มีขั้นที่สองที่สูงกว่าขั้นโสดาบันคือขั้นสกิทาคามีการจะขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีได้ก็ต้องสอนใจให เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนของคนที่เราลักของคนที่เราชอบถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราลักที่เราชอบเราก็จะไม่ลักเขาตอนนี้เราเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเราก็เลยไปลักเขาถ้าเราเห็นตอนที่เขาตายนี่เราจะลักเขารู้ไหมถ้าเกิดแกเราตายวันนี้เราจะเก็บเขาไว้ที่บ้านนอนกับเขาคืนนี้หรือเปล่า มองร่างกายของแฟนให้เป็นซากศพหรือไม่เช่นนั้นก็มองเข้าไปข้างในร่างกายนี้มันมีอะไรเยอะแยะอยู่ข้างในเหมือนกับอะไรไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้ดูข้างนอกสวยมไหมวันนี้ได้ฉันไข่ยัดไส้ <c oughs> พอพอแกะเข้าไปข้างในนี่มีแต่ไส้อันนี้ก็เหมือนร่างกายเราก็เหมือนข่ยัดไส้สวยข้างนอก แต่พอแกะเข้าไปดูข้างในนี่โอ้ยมีแต่ไส้มีแต่ลำไส้มีแต่ตับมีไตมีเอ็นมีกระดูกมีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจมีตับมีปอดมีกระโหลกศีรษะหน้าตาที่สวยงามนี่พอพอฉีกเนื้อฉีกหนังที่คลุมหน้าออกไปนี่ก็เหลือแต่กะโหลกศีรษะ ถ้าเรามองเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามเราก็จะไม่มีการมารมณ์เราก็ไม่ต้องเสกกรรมอยู่โดยที่ไม่ต้องเสกกรรมมีความสุขกว่าการที่เสกกลรมสุขเพราะอะไรดีกว่าเพราะอะไรเพราะการเสกกรรมนี้ถ้าเวลาอยากเสกแล้วได้เสกก็สุขแต่เวลาอยากเสกแล้วไม่ได้เสกมันก็จะทุกข์เวลาแฟนไม่อยู่เวลาอยู่คนเดียว อยากจะเสพกลามขึ้นมาไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์แต่คนที่ไม่ต้องเสพกลามนี่สบายเฉยๆไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่ไม่สูบบุหรี่กับคนที่สูบบุหรี่คนสูบบุหรีน่นี่เวลามีบุหรี่สูบ ก, ก็สุขแต่เวลาบุหรี่หมดนี่ก็ทุกข์ฉะนั้คนเสพกลามก็เหมือนเสพบุหรี่เสพ ร, ร่างกายของคนอื่นแต่ผู้ที่ สามารถมองเห็นว่าร่างกายไม่สวยงามได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือบางเวลาก็เห็นบางเวลาไม่เห็นก็จะได้เป็นพระอริยะเจ้าขั้นที่สองคือพระสกิรดาคามีคือสามารถทําให้การอารมณ์นี้เบาบางลงแต่ยังไม่หมดเบาบางก็คือเวลาที่คิดถึงร่างกายคิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายการอารมณ์ก็ไม่เกิด แต่เวลาลืมพอไปคิดถึงส่วนที่สวยขึ้นมาการอารมณ์ก็เกิดอีกอันนี้เป็นขั้นขั้นขั้นขั้นแรกของการเจริญอสุภะเราจะไม่สามารถเจริญได้อย่างตลอดเวลาบางเวลาเราก็นึกถึงอสุภะบางเวลาเราก็นึกถึงสุภะพอสุภะขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมานขั้นพระริยเจ้าขั้นที่สองนี้ท่าน ดูเห็นอสุภะเป็นบางเวลาไม่เห็นตลอดเวลาต้องไปขั้นถึงขั้นที่สามเนี่ยพอเห็นอสุภะตลอดเวลาก็จะเป็นพระอนาคังขั้นที่สามตอนนั้นเห็นร่างกายที่ารจะเห็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกเห็นทรางศพตลอดเวลานึกถึงร่างกายของใครก็จะเห็นเป็นทรางศพเห็นเป็นอาการสามสิบสอง เห็นตับไตไส้พุงเห็นหัวใจเหันปอดเห็นม้ามเห็นตับเห็นไตาการอารมณ์ก็จะไม่เกิดผู้ที่สามารถกําจัดการอารมณ์ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมเพราะยังมีปัญหาที่ยังค้างค้างอยู่ในใจที่ยังต้องจัดการอีก คือปล่อยวางร่างกายได้แต่ยังปล่อยวางใจไม่ได้ยังรักใจยังหวงใจยังหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ภายในใจอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของพระอรหันต์พระอรหันต์จะเห็นว่าภายในใจนี้ถึงแม้จะให้ความสุขมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ได้จากฌานรูปฌานอารูปฌานเนี่ย ใยที่ไม่มีการมาลงลมนี้จะสงบจะเป็นรูปฌานจะเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานแต่รูปฌานอารูปฌานนี้ก็ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับเวลามันดับเวลามันหายไปความสุขที่ได้จากรูปฌานก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปติดกับรูปฌาน เหมือนกับติดบุหรี่ติดร่างกายนี้ถ้าไม่ไปติดร่างกายติดบุหรี่จะมีบุหรี่หรือไม่มีบุหรี่จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ไม่ทุกข์เพราะไม่เสพบุหรี่ไม่เสพไม่เสพกามไม่เสพร่างกายของคนอื่นฉันใดรูปประชาณะรูปประชานที่มีในใจก็ต้องไม่เสพมันมันจะสงบหรือไม่สงบก็เรื่องของมันนี่ก็จะทำให้ใจหลุดพ้นจาก ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนอกจากรูปรชาญแล้วรูปรชาญก็ยังมีมานะการถือตัวถือว่าเราใหญ่กว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างเล็กกว่าเขาบ้างอันนี้ก็เป็นการถือตัวเป็นการคิดขึ้นมาท่านันเองตามจริงคนเรานี้ใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดเป็นผู้รู้เหมือนกันมีขันธ์สี่เหมือนกันมีรูปมีเวทนาสัญะาสงขัญวิญญาณเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกัน ไม่มีใครใหญ่กว่ากันเล็กกว่ากันอันนี้ปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณาต่อไปก็จะไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือว่าฉันดีกว่าเธอฉันเลวกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอฉันโง่กว่าเธอฉันฉลาดกว่าเธอฉันสูงกว่าฉันต่ำกว่าจะรู้จะรู้ว่าเหมือนกันก็จะไม่ทุกข์กับการถือเนื้อถือตัว ใครจะดูถูกดูแคลนก็เฉยไม่เดือดร้อนใครไม่ให้ความเคารพก็ไม่เสียใจบางคนพ่อแม่นี่พอลูกไม่เคารพหน่อยก็เสียใจพอลูกด่าแม่ด่าพ่อไหนโอ้พ่อแม่เสียใจเพราะถือตัวถือว่าเป็นพ่อถือว่าเป็นแม่ลูกไม่เคารพพ่อแม่แต่คนที่ภาันี่ท่านไม่ถือตัวกครจะด่าก็ปล่อยให้มันด่าไป บาปของมันห้ามมันไม่ได้พอสามารถเห็นว่าความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากในสิ่งที่มีอยู่ในใจท่านก็จะหายจากความหลงจะไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่มีใน ใ, นใจจะไม่หลงกับร่างกายก็ปล่อยแล้วรา่ายนศสรรเสริญก็ปล่อยแล้วก็มาปล่อยสิ่งที่มีในใจความสุขที่มีใน ใ, นใจ การถือนือ้อถือตัวถ้าถือว่าเราใหญ่กว่าเขาเราก็มีความสุขใช่เวลาใค้เขาตั้งให้เราเป็นหัวหน้านี่โอ้โหยิ้มแป้นเลยแต่มันก็เป็นสมมุติเทาั้เงขาตั้งวันนี้เขาตั้งได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ปลดได้เพราะปลดหน้าตาก็กลายเป็นตลิวไปแต่ใจที่ไม่ไม่หลงติดกรรมมานะไม่ไม่ไ ม, ไม่ติดกับตัวตนนี่อัตตาตัวตน ก็จะไม่ดีใจเสียใจกายจะตั้งให้เป็นอะไรก็เป็นสมมุติไปกายจะปลดก็รู้ว่ามันก็เป็นสมมุติเหมือนเล่นละครเวลาเราไปเล่นละครก็บอกเออมึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะมึงเป็นขอทานนะก็เล่นไปตามบทที่เขาจ้างมาให้เล่นแต่รู้ว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันเป็นตัวแสดงเหมือนกันเท่านั้นเองนี่คือการยกระดับจิตใจให้เป็นพระอริยเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้า เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างในโลกในโลกที่มีอยู่ในร่างนี้อยู่ที่ร่างกายในโลกในสิ่งที่มีในใจว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะไม่สวยงามใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้แหละเป็นบุญสาคัญที่สุดบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะถ้าได้ เป็นพระอหรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี้ไม่ต้องทำบุญอีกต่อไปเพราะได้อาหารทิพย์อาหารที่ไม่มีวันหมดได้นิพพานได้ความสุขที่ถาวรที่ไม่ต้องเติมบุญอย่างอื่นนียังต้องเติมอยู่ทำบุญนำทานก็ยังต้องเติมอยู่รักษาศีลก็ยังต้องคอยรักษาอยู่แต่พอภาวนาสมถะภาวนาก็ยังต้องคอยเติมอยู่แต่พอถึงขั้นวิปัสสนาภาวนา พอใจได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาแล้วทีนี้ใจก็อิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลาไม่ต้องทำบุญอีกต่อไปนี่คืออาหารหลักที่เราควรจะทำกันทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนก็ฝึกนั่งสมาธิกันวายพระสวดมนต์นั่งสมาธิกันตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนจะออกไปทำงานก็ฝึกนั่งสมาธิกัน ระหว่างวันก็ฝึกสติเวลาทำงานทำการก็ฝึกสติคอยดึงใจอย่าให้ไปคิดฟุ้งซ่านให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็ให้พุทโธพุทโธไปอย่าให้มันไปคิดด้วยเปื่อยพูดคิดพคิดเพเจ้าเดี๋ยวมันก็จะนาไปสู่ความอยากต่างๆนำไปสู่ปัญหาต่างๆถ้าไม่มีความคิดความอยากจะไม่เกิด ปัญหาจะไม่มีจะอยู่อย่างสบายทํางานเสร็จก็กลับบ้านอาบน้ําอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งซัมสมาธิไปพักผ่อนหลับนอนเตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปทํางานต่อถ้าไม่ถ้าควบคุมความคิดได้การจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่มีการจะไปหาฟงหาแฟนก็ไม่มีการจะไปดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆก็ไม่มีถ้ามีสติตัวเดียวนี้ควบคุมความคิดความอยากได้ ชีวิตก็จะมีแต่การไปทำงานกลับมาบ้านก็พักผ่อนหลับนอนกินข้าวเสร็จก็นั่งสมาธิเสร็จก็นอนเส็นขึ้นมาก็นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อไปก็ใบบวชได้นี่คือบุญที่เราควรที่จะหมั่นทำกันเป็นประจำสามข้อคือทานศีลภาวนา บุญข้อที่4ที่เราต้องทําเป็นประจําอีกข้อหนึ่งก็คือการฟังธรรมนีการฟังธรรมนี้จะทําเกิดให้เกิดบุญสองระดับคือบุญที่เกิดจากความสงบฟังเทศฟังธรรมไปแล้วใจจะเย็นจะสบายแล้วก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิการมีสัมมาทิฏฐิก็เป็นบุญอีกอย่างเนี่ยเป็นความรู้ความฉลาดเป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืด ถ้าเราอยู่ในที่มืดนี้เราไม่มีไฟฉายกับมีไฟฉายนี่อย่างไหนจะดีกว่ากันมีไฟฉายนี่ก็สบายเดินไปไหนมาไหนก็ไม่เดินไปชนไม่เหยียบอะไรไม่ไปถูกสัตว์อะไรกัดแต่ถ้าไม่มีไฟฉายนี่เดินไปเดี๋ยวก็ชนนี่นั่นเตะไอ้นี่การฟังธรรมนี้ได้บุญเพราะได้แสงสว่างแห่งธรรมทำให้เรารู้จักผิดถูกดีชั่ว ให้เรารู้ว่าเราต้องมาทำบุญกันให้เรารู้ว่าบุญนี้สำคัญต่อจิตใจของพวกเราสำคัญมากกว่าอาหารของร่างกายสิเพราะอาหารของร่างกายก็เลี้ยงร่างกายได้แค่ชั่วคราวเท่าน้ร่างกายเดี๋ยวพออายุสักแปดสิบเก้าสิบก็ตายแล้วให้เลี้ยงดูเลี้ยงดีขนาดไหนมันก็ตายอยู่ดีแต่ใจนี้ไม่มีวันตายยิ่งเลี้ยงยิ่งดีเท่าไหร่ใจยิ่งดีขึ้นไปเรื่อย จนดีถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าเลย น, นี่คือบุญหลักที่เราควรจะทำกันเป็นประจำสี่ข้อทําทานทุกวันรักษาศีลทุกวันภาวนาทุกวันฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันอย่างนี้เราฟังเทศกันได้ตลอดเวลาไม่เหมือนสมัยโบราณฟังได้เฉพาะวันพระเพราะไม่มีสื่ออยากจะฟังธรรมต้องมาวัด จะมาวันได้ก็ต้องหยุดการทำงานแต่สมัยนี้เราฟังได้ทุกวันเนี่ยนั่งสมาธิก่อนนอนก็เปิดฟังได้มีซีดีก็เปิดได้มีอินเทอร์เน็ตก็เปิดได้มีมือถือก็เปิดได้เนี่ยที่ทที่แสดงอยู่นี่มีมีเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ทุกวันแล้วนี่มีเกือบพันแล้วมั้งธรรมะบนเขานี่มันห0ร้อยกว่าแล้วมั้งแล้วธรรมะอย่างอื่นนี่ หนังสือก็อ่านได้ดังนั้นควรที่จะฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะกันทุกวันเพราะมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นจะทำให้เรารู้ผิดถูกดีชั่วให้รู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงคืออะไรคือสร้างบุญนี่แหละคือพัฒนาจิตใจให้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเรายังไม่พัฒนา ถึงขั้นนั้นเราก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดต่อให้เกิดมารวยขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวก็จบกลับมาเขาวหน้าอาจจะไม่ใหญ่โตไม่อาจจะไม่รวยก็ได้ถ้าชาตินี้ไม่ทำบุญต่อชาตนี้ใหญ่โตก็เลยประมาทรวยก็เลยประมาทก็ไม่ทาบุญพอตายไปชาหน้ากลับมาเป็นขอทานสลับฉากกัน งั้นการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันไม่แน่นอนบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับบาปบาปก บ, บุญที่เราทำกันงั้นอยากลับมาเกิดได้จะดีกว่าไม่เกิดลราจะมีแต่ความสุขสุขยิ่งกว่าเป็นมหาเศรษฐีสุขยิ่งกว่าเป็นพระราชามหากษัตว์เลนี่คือบุญหลักที่เราควรทำกันประจำทุกวันสี่ข้อทาทานรักษาศีล รักษาศีลห้าแล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปดารักษาศีลแปดได้ก็จะนั่งสมาธิได้ง่ายกว่านักษาศีลห้าแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันเป็นประจำแล้วจิตใจของเราจะก้าวหน้าจะเรานุ่งเรืองขึ้นไปตามลําดับแล้วส่วนบุญอื่นเราก็ทําไปตามเหตุการณ์เป็นบุญเสริม เช่นเราทำบุญวันนี้เราอยากจะอุทิศบุญให้กับญาติโยมญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเราก็อุทิศได้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเวลาเราอุทิศบุญเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกวันนี้เราทำบุญแล้วถ้าเราแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพวกที่ไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเราก็อุทิศบุญให้เขาไปก็เหมือนกับเราได้ทำบุญสองต่อทำบุญกับพระแล้วก็ไปทำบุญกับเปรตอีกต่อเนื่ง ก็เราได้บุญสองข้อด้วยกันเรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญเวลาเห็นใครเขาทำบุญก็อนุโมทนาแสดงความยินดีชื่นชมไปกับเขาอย่าไปอย่าไปพูดให้เขาเสียกำลังใจอย่าไปบอกว่าทำไปทาไมทำแล้วสูญเปล่าคจะบอกสาธุสาธุาธยิ่งทายิ่งดียิ่งทายิ่งรวยใอ้คิดอย่างนี้ บางคนไม่รู้เรื่องบุญพอเห็นคนอื่นทำบุญเสียดายแทนเขาแทนที่จะไปอนุโมทนากลับไปว่าโง่เปล่าเนี่ยทำแล้วเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไม่ดีกว่าเลยอันนี้ก็จะไม่ได้บุญคนที่คิดอย่างนี้ก็จะไม่มีความรู้สึกสุขใจกับการทำบุญของผู้อื่นกลับกลับไปทุกกับการทำบุญของผู้อื่นเสียดายเงินแทนเขาสิเพราะตัวเองไม่รู้ว่า บุญนี้มีจริงบุญมีประโยชน์กับจิตใจอย่างไรเห็นเวลาเห็นใครเขาทำบุญก็อนุโมทนาร่วมยินดีแสดงความยินดีถ้าเป็นไปได้ก็ร่วมทำบุญด้วยเลยฝากเงินไปอันนี้ไม่ได้ไปวัดคุณจะไปวัดเดี๋ยวฝากเงินไปช่วยทำบุญให้หน่อยเราก็จะได้บุญอีกกระทองหนึ่งอันนี้คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบุญอีกข้อก็คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นนับใช้ผู้อื่น อย่างญาติโยมที่มาช่วยทําถ่ายทอดสดนี่ก็มาทําบุญเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําบุญด้วยการใช้เงินทองแต่เอาเวลาเอาความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาทําการถ่ายทอดสดมาเปิดเครื่องขยายเสียงให้ศสัตยาญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่สามารถฟังได้อย่างกว้างไกล ถ้าเมื่อสมัยก่อนนี้ต้องมานั่งรวมกันในศาลาเพราะไม่มีไมโครโฟนไม่มีเครื่องขยายตอนนี้โอโ้นั่งกันได้เต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนก็ตอนต้นก็วิจกว่าถ้ามีคนมาเยอะๆศาลาหลังนี้มันแค่ห้าสิบคนก็เต็มที่แล้วอย่างนี้ไม่ต้องกังวลนะมาเป็นร้อยก็สามารถที่จะมีที่นั่งได้เต็มไปหมดนั่งกับพื้นปูเสือ่อแล้วก็มีลําโพงไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ อันนี้ก็เป็นความเสียสละของศรัทธายาตอยู่ที่สละเวลาอันมีค่าแทนที่จะไปเที่ยวกันไปมีความสุขกับครอบครัวกับคนนั้นคนนี้ก็เอาเวลามาถ่ายทอดสดอันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอาสาสมัครอย่างพวกที่ไปทํากับพวกปอเต็กๆหน่วยหน่วยกู้ภัยต่างๆพวกนี้เขาก็ได้บุญแบบนี้ บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นเขาถึงยินดีทำกันไงทำแล้วเขามีความสุขใจอันนี้ก็เป็นบุญถ้ามีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำก็ได้<ม>บุญอุทิศก็เหมือนกั น, นการร่วมอนุโมทนาบุญก็เหมือนกันเราทาตามเฉพาะเวลาที่มีโอกาสเวลาใครก็าําบุญก็อนุโมทนาไปเวลาเราทําบุญเราก็อุทิศบุญไป ถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไม่ต้อง อ, อุทิศถ้าเรามีความสามารถสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ใช่แต่เฉพาะกับวันวาาราช่วยกับที่อื่นก็ได้ช่วยกับโรงพยาบาลช่วยกับโรงเรียนเวลาก็มีกิจกรรมมีงานมีการเขาต้องการคนมาช่วยกันเราก็ไปช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นการทำบุญเรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น บุญอีกข้อหนึ่งที่เราควรจะมีกันก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าอวดเบ่งอวดเกง่งอวดดีอวดรู้คนที่อวดเกง่งอวดดีอวดรู้นี่ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยแต่คนที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ไปอยู่ที่ไหนก็มีคนนักคนชอบเวลามีคนนักเราเราก็จะมีความสุขเวลาคนเกลียดเรานี่เราก็จะทุกข์ ที่เขเกลียดเราเพราะเราชอบอวดเบ่งอวดดีอวดเก่งอวดรู้ไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยด้วยคนที่ไหนมันเก่งกว่ากูทุกทีไปคุยกับมันทําไมคุยกับคนที่เขาก็ไม่เก่งดีกว่าเขาไม่รู้ดีกว่าไว้ให้เราได้คุยเต็มที่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีความสุขเพราะเวลาไปอยู่กับใครจะไม่มีใครรังเกียจจะมีแต่คนคอยต้อนรับมีคนยินดี แล้วบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเราถึงต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้รู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริง พราอันนี้ส์ของการฟังธรรมนี้จะกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ตอนนี้เราสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยพระธรรมมีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเรามานั่งฟังเทศบ่อยๆแล้วเราจะหายสงสัยเราจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องไปไปพิสูจน์ที่อินเดียพิสูจน์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติยิ่งเห็นชัดเจนเลย ถ้าปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเมื่อไหร่มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทีนี้ไม่สงสัยเลย100ร้อยเปอร์เซนตพพุพทธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงแล้วบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมแก่ผู้อื่นธรรมทานถ้าเรามีเงินมีทองเราเห็นหนังสือธรรมะเล่มไหนเป็นประโยชน์เราอ่านแล้วเราได้รับประโยชน์อยากให้ผู้อื่นเขาได้ประโยชน์บ้างเราก็พิมพ์แจก อย่างนี้เราร่วมทําบุญกับเขาก็ได้เวลาใครก็ทําบุญทำทำทำหนังสือแจกเราก็ไม่มีกําลังที่จะทําทตามลําพังเราก็ขอร่วมทําบุญบริจาคไปเรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวงเพราะอะไรเพราะธรรมะนี้มีคนค่ามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นนินกินดากองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละจะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปการจะไม่ ไ, ไม่กลับมาเกิดมาแ ก, แกมาเจ็บมาตายได้ต้องอ่านหนังสือธรรมะต้องได้ยินได้ฟังธรรมถ้าไม่ได้ยินฟังธรรมจะไม่รู้วิธีว่าทาอย่างไร ถึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดพอมาฟังธรรมแะ ว, วันนี้ก็รู้แล้วว่าต้องทําบุญต้องทําบุญที่สําคัญอยู่สี่ข้อคือทําทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ประโยชน์จะได้เพราะเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี่คือเรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําไม่ต้องไปทําบุญแบบอื่นไม่ต้องไปบูชาลาหูนไม่ต้องไปอ ไปบูชาอะไรทั้งหลายทั้งแหล่การบูชาการทำบุญต่างๆนอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ก็ไม่มากเหมือนกับประโยชน์ที่พึงจะได้จากการทำบุญกับทำบุญกับที่พระเจ้าสอนให้ทำเพราะจะเป็นทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันทำบุญแบบอื่นนี้ไม่มีวันที่จะไปถึงนิพพานได้หุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดไม่ได้ นี่คือเรื่องของวันพระที่พวกเรามากันมาเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําบุญอะไรกันบ้างวันนี้เรารู้แล้วก็ขอให้เอาไปทํากันถ้าทําแล้วความอิ่มใจสุขใจก็จะมีขึ้นมาตามลําดับจนถึงความอิ่มเต็มอิ่มเต็มร้อยอิ่มตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดคือพระนิพพานการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะระโสยถามาณิจโตระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติ อายุวโนสุขังภาลังคำถามฝากถามค่ ะ, ะคนเมาใส่บาตรเขาจะได้บุญไหมคะได้ได้ก็เขาก็คือเมาแบบไม่ไม่ไม่เมาเต็มที่ยังรู้เรื่องอยู่ยังมีสติพอที่จะใส่บาตรได้เหู่ก็ได้แต่ต้องเป็นเงินของเขาเนะ ไม่สนที่ไปใส่บาตรพระอาจารย์ไม่เช้าด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนั้นเขาเมาเลยไม่เห็นเขาเมาเนี่ยเาาาขาเป็นคนชาวบ้านหลวเองเนี่ยเราไม่สังเกตไ่ม <c oughs> ถ้าก็มีสติใส่บาตได้ก็แสดงว่ายังไม่เมาเต็มที่ <c oughs> จะได้บุญก็ต่อเมื่อหนึ่งเป็นเงินของตอนเองเป็นของของตอนเองสองมีเจตนาตั้งใจที่จะใส่ เราใส่เองเนียก็จะได้บุญได้ครบองค์ถ้าเป็นของคนอื่นนี่มาใส่ก็ไม่ได้บุญแล้วได้ก็ได้น้อยมาช่วยใส่ให้คนอื่นเช่นเขาฝากให้มึงช่วยไปใส่บาตรนะกําลังขายของไม่ว่างนี้ไปไปใส่ให้ก็จะได้ตรงที่ว่าได้รับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นแต่บุญที่เกิดจากการทำทานไม่จะไม่ได้เราไม่มีเงินฝากในธนาคาร แต่จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราในอนาคตต่อไปเราเดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราอย่างเราเนี่ไหมฮะพอเดือดร้อนก็มีคนมาช่วยเหลือพอขาดนู่นขาดนี่ก็มีคนมาช่วยเหลือตลอดเวลาไม่ต้องเอ่ยปากเล ย, เยทุกสิ่งทุกอย่างที่มามานี่มันมาเองมีแต่จะมาถามว่าขาดอะไรต้องการอะไรไม่เคยต้องบอกข อ, ขอนู่นขอนี่เลยความจริงไม่ต้องขอหรอก ทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วมีประโยชน์แล้วใครๆเขาก็ายาาอยากจะสนับสนุนเนืเ้อเขาแจ้งมาว่าแบบวัดสายหลวงปู่มั่นกำลังพูดถึงกันมากครับอาจารย์เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดของพอาจารย์ชักชวนบอกข่าวกันเมื่อมีงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางอีสาได้ฟังหลวงพ่ออย่างนี้ครับแล้วหลายสำนักก็กำลังเรียนแบบพระอาจารย์แบดกันเลคําถามฝากถามค่ะ ถ้าเราเอาเงินทำทานกับพวกขอทานกับพวกไม่มีศีลแล้วชาติหน้าเราต้องไปเจอกับพวกเขาอีกไหมคะเออไม่ก็ต้องธรรมดาเกิดมาในโลกนี้มันก็มีคนทุกระบบ ท, ทุกระดับและมีทั้งคนจนคนรวยคน ด, คนดีคนไม่ดีอันนี้เราไปเลือกไม่ได้ก็ต้องเจอถึงแต่ว่าเจอแล้วใจเราจะไม่หวั่นไหวเราเจอคนจนเราก็เมตตาขอทานเราก็เมตตาเขาเราก็มีความสุขเวลาได้เจอใคร ถ้าเราเป็นคนทาบุญทำทานแล้วอยู่ไปเจอกับใครที่ไหนก็จะจะมีความสุขจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทุกระดับจะจะรักคนทาบุญฉงนั้นขอให้ทาบุญไปนะเนี่ยคำถามฝากถามอีกข้อนึงค่ะแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เหลือเวลาอันน้อยนิดเริ่มจากตรงไหนอ ย, อย่างไรดีคะ ก็อยู่สองระดับระดับแรกก็ถ้าใจทุกข์ฟุง้งซ่านคิดไม่ได้ออกก็ให้ใช้พุทธโธหยุดความคิดไปก่อนฝึกสติพุทธโธพุทธโธถ้าเราหยุดความคิดไม่ไปคิดถึงเรื่องการเจ็บไายได้ป่วยได้ความทรมานใจมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราเผลอไปคิดถึงมันเราก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะให้ไม่ทุกข์เลยก็ต้อง พิจารณาว่าร่างกายมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่เป็นของขวัญเป็นเหมือนตุก๊กตาตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ซื้อตุ๊กตามาให้เราเล่นเอเล่นไปเดี๋ยวมันก็พังพังแล้วก็โยนทิ้งไปร่างกายนี้ก็เหมือนตุ๊กตาที่พ่อแม่ให้เรามาเดี๋ยวมันก็ต้องตายเดี๋ยวก็ต้องเอาไปเผากลายเป็นขี้เท่าขี้านไปถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็จะไม่ทรมาน อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้มันมีเป้าหมายของมันอยู่แล้วกูต้องตายกูต้องเจ็บรักษาไงก็ไม่หายถึงเวลาถ้าไปเจอโรคที่มันรักษาไม่หายก็ไม่มีใครจะทำอะไรได้นอกจากยอมรับความจริงเท่านั้นเองถ้ายอมรับความจริงแล้วใจจะไม่ทุกข์กับมันค่ะคถามฝากถามค่ะนั่งสมาธิทีไรพุทโธเอาไม่อยู่ จิตไปนู่นไปนี่ตลอดแต่เท่าอิติปิโสก็พอนั่งได้แต่ยังไม่ถึงสมาธิซักครั้งขอแนวทางการปฏิบัติค่ะก็สติเรายังมีกำลังน้อยก็เลยต้องใช้วิธีสวดสร้างสติขึ้นมาก่อนเ <Okay. S 1> วลาสวดมันก็จะบังคับให้เราต้องอยู่กับบทสวดม น, <Yeah. S 1> นั่นถ้าเราพุโทโธไม่ไหวก็สวดอิติปิโสไปก่อนคาถามจากคุณบาค่ะ การรักษาสัจจะอยู่ในสี่ห้าหรือเปล่าคะก็ข้อสามไงข้อสี่ไงการไม่พูดปลดไงก็คือการรักษาสัจจะพูดอะไรแล้วเราก็ต้องทำตามคำพูดของเราไม่ใช่นั้นก็เรียกวโกหกใช่ไหมขอยืมเงินหน่อยเดีย๋ดวยวพรุ่งนี้ยังมาคืนอเงี้ย <önce S 2> พอไม่มาคืนก็เสียสัยจจะแล้วโกหกแล้วแล้วก็ยังแถมขโมยเงินเขาด้วยเป็นการรักทรัพย์ไปในตัวสองข้อเลยเสียสองข้อ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาบริกรรมพูดโธควรบริกรรมช้าๆตามลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมเร็วๆและควรพูดออกมาดังๆหรือลึกในใจคะก็ทําได้หลายวิธีการบริกรรมพูดโทนี้ไม่ต้องไปผูกไว้กับลมก็ได้เอาคําบริกรรมอย่างเดียวะจะจะช้าจะเร็วก็ได้แล้วแต่ว่าใจเรามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาถ้ามันฟุ้งมากคิดมากถ้า พุโทโธช้าแล้วมันยังหยุดคิดไม่ได้ก็ให้มันเร็วหน่อยแต่ถ้ามันไม่ฟุ้งก็ไม่ต้องเร็วให้พุโทโธพุโทโธแบบสบายสบายไปอันนี้ไม่ต้องไปสนใจกับลมลมไม่จําเป็นต้องไปผูกมันกับมันแล้วเวลาบริกรรมคนจะบริกรรมไม่ออกเสียงคนจะบริกรรมภายในใจเพราะเราไม่ต้องการจะใช้ร่างกายเราต้องการปล่อยวางร่างกาย แต่นั่งสมาธิเราต้องการให้นั่งให้ร่างกายหยุดทางานเพราะการให้ร่างกายทางานเท่ากับเป็นการทำงานของใจเพราะใจเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าเราสั่งให้มันบริกรรมออกเสียงนี่ใจต้องมาสั่งที่ปากให้มันออกเสียงถ้าไม่น้องออกเสียงใจก็จะอยู่ข้างในไม่ต้องมาที่ร่างกายแต่นั่งสมาธิใจจะสงบได้ใจต้องเข้าข้างในเข้ากลับไปหาใจ อิ น, นิจายมันติดอยู่กับร่างกายมันเลยไม่สงบเราเลยต้องดึงใจออกจากร่างกายด้วยการใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธถ้าพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ดึงใจเข้าข้างในจะดึงวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายเข้าข้างในแล้วมันก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายใจก็จะนิ่งสงบมีความสุขคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับจากคุณซีซั่นเชนนะครับการทาทานกับพระพิสุ กับการทาทานกับคนยากจนหรือสุนัขผลบุญต่างกันไหมคะบุญมันมีสองส่วนไงที่เวลาเราทำบุญเนี่ยส่วนแรกก็คือส่วนที่เกิดจากการเสียสละของเราเวลาเราเสียสละเงินทองข้าวของไปเราจะมีความสุขใจอิ่มใจอันนี้เรียกว่าบุญส่วนนี้ส่วนแรกบุญส่วนนี้จะให้ใครก็เหมือนกันให้หมาให้พระให้แมวให้คนยากจน ให้แล้วเราก็สุขใจเหมือนกันส่วนบุญส่วนที่สองนี่คือบุญที่เราจะได้รับจากคู่ที่เราให้ไม่เหมือนกันให้กับหมาหมามันก็เห่าเอาบ้านให้เราใช่ไหมให้กับพระถ้าพระมีธรรมะก็สอนธรรมะให้กับเราอันนี้บุญส่วนนี้ไม่เหมือนกันดงนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการส่วนส่วนที่สองนี้หรือไม่ ถ้าเราไม่ต้องการส่วนที่สองนี้ทำกับใครก็เหมือนกันถ้าเราต้องการเพียงแต่ความสุขใจอิ่มใจไปปล่อยปลาก็สุขใจอิ่มใจเลี้ยงหมา ก, ก็อิ่มใจเลี้ยงคนเจลาคนพิการก็อิ่มใจเลี้ยงพะระเลี้ยงเจ้าก็อิ่มใจเหมือนกันจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยเลี้ยงพระหนึ่งลูกกับเลี้ยงพระสองลูกนี้มันอิ่มไม่เท่ากันใช่ไมเลี้ยงพระสองลูกมันต้องเสียมาก ขึ้นมันก็จะอิ่มมากขึ้นยิ่งเสียมากยิ่งอิ่มใหญ่ถ้าเสียน้อยมันก็อิ่มน้อยมันกินข้าวกินข้าวจานหนึ่งกับกินข้าวสองจานอันไหนจะอิ่มกว่ากันเนี่ยบางคนบอกทําบุญเท่าไหร่นี้ได้บุญเท่ากันไม่ใช่หรอกอย่งนก็ทําบาศเดียวก็พอใช่ไหมถ้าได้บุญเท่ากันไปทําล้านหนึ่งแสนหนึ่งทําไมมันต่างกันเมื่อเอาเงินไปฝากธนาคารฝากบาศหนึง่งเราจะไปเบิกร้อยหนึ่งได้หรือเปล่า ปากบาก็เบิกได้แค่ร้อยเดียวอันได้บาทเดียวเนี่ยปากร้อยก็เบิกได้แค่ร้อยหนึปากแสนก็เบิกได้แสนหนึ่งอยงงี้ไม่เท่ากันถ้าอยากจะได้บุญมากก็ต้องทํามากผลบุญจากการทําทางที่เราทําในชาตินี้สามารถส่งผลถึงเราได้ในชาตินี้เลยไหมคะก็ความอิ่มใจสุขใจเนี่ยพอเราทำแล้วรู้สึกไงสบายใจไหอสุขใจ<ม>เห็นคนที่เขาหิวโหย ไม่มีข้าวกินแล้วเอข้าให้เขากินเนี่ยเขากินแล้วเขาอิ่มแล้วรู้สึกสบายใจสุขใจไหมนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วในชาตินี้จะคุณอุเทนนะครับการจะไปเกิดคพบภูมิไหนอยู่ที่จิตสุดท้ายใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ละอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทํามาบวกลบก่อนในจิตสุดท้ายนี้ไม่ใช่มีอยู่ที่จิตสุดท้ายเห็นทําบาปมันทั้งทั้งชาติเลยแล้วตอนจิตสุดท้ายมาทําบุญสิบบาทนี่มันจะไปได้ั้ไปไม่ได้หรอ นค้อทายจิตสุดท้ายนี่มันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทํามาตลอดทั้งชาตินี่เข้าใจไหมจิตสุดท้ายเป็นเวลาที่เรามาทําบัญชีเหมือนสิ้นปีเราจะปิดกิจการนี้เรามาทําบัญชีกับร า, ายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่ไม่ใช่มาแต่งบัญชีเองว่าพร้จะพอจิตสุดท้ายนี่อยากจะมาแต่งบัญชีก็ยังจะมาแต่งจิตตอนสุดท้าย ให้ให้เป็นจิตมีแต่บุญอย่างเดียวมันมให้คิดแต่ดีๆอย่างเดียวยากนะคะแต่งก็ยากนมัน เ, เป็นไ ม, ไม่ได้หรอกอออจริาางฟังพระสุตติวงศ์ห น, น, นึ่ ง, งท่านพบอกว่าคนก่อนจะตายบุญจะทำมาบาปจะทำมาก็กรรมจิตสุดท้ายเนี่ยอสำคัญที่สุดที่จะไปนรกสวรรค์ก่อนกาใช่มันสำคัญแต่มันเป็นผลของบุญของบาปที่เราทำมาทั้งชาติมันจะมันหลบรบุญหารตอนนั้นก่อนใจไหมแล้วตอนนั้นไปแต่งไม่ได้ คำถามจากคุณกฤษกรนะครับถ้าเราฟังธรรมมากกว่าการปฏิบัติจะสามารถหลุดพ้นได้ไหมครับไม่ได้เลยมันต้องปฏิบัติการฟังธรรมนี่เป็นเพียงการดูแผนที่นั่นเองถ้าไม่ออกเดินทางก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าไม่ดูแผนที่ก็หลงทางยังก็ต้องฟังธรรมก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรอย่างวันนี้มาสอนแล้วว่าทาบุญหลักกับทาบุญสารอง บุญเสริมไม่เหมือนบุญเสริมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่บุญหลักนี่ต้องทำํำจะคุณพิมพ์พรนะครับหนูได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์ถามถ้านั่งสมาธิเวลาใจสงบแล้วคิดเรื่องใดแต่ใช้อิติปิโสแล้วใจมาสงบแล้วพอเราหยุดอิติปิโสแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นดูลมแล้วเราก็ใช้พุโทโธหายใจเข้าพุโทโธหายใจออกได้ไหมคะ เพราะเมื่อวานดูลมอย่างเดียวมันรู้สึกว่าหนูหายใจไม่ค่อยออกได้คือเป้าหมายก็คืออย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ใจมีอะไรทาถ้าไม่สวดก็พุโทโธไม่พุโทโธก็ดูลมไม่ให้ไปคิดถึงแฟนไม่ใหค้คิดถึงขนมไม่ให้ไปคิดถึงที่เที่ยวที่เล่นกันให้อยู่เฉยๆให้นั่งเฉยๆให้ใจนิ่งให้ใจสงบงั้นถ้าพุโทโธทาให้นิ่งได้ก็พุโทโธไป ถ้าสวดแล้วทาให้ใจนิ่งก็สวดไปคําถามจากคุณพ็อกเกตค่ะเมื่อจเจริญปัญญาจนจิตว่างควรทําอย่างไรต่อครับก็รักษาความว่างนั้นให้นานๆอย่าให้มันคิดถึงอะไรความว่างเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงพ อ, อไปคิดปั๊บเดี๋ยวปวดหัวกันมาละคิดถึงแฟนเดี๋ยวปวดหัวละ นึกถึงเขากินเหล้านี่ก็ไม่สบายใจนะนึกถึงเขา้าไปเที่ยวก็ไม่สบายใจนะอย่าไปคิดอะไรทาใจให้ว่างอย่ยงการนั่งสมาธิเพื่อทาใจให้ว่างใจว่างนี่แหละคือความสุขคำถามฝากถามค่ะทำไมนั่งสมาธิทีไรแล้วรู้สึกง่วงนอนทุกครั้งเลยคะเพรากินมากเกินไปต้องอต้องกินน้อย คำถามจากผู้ไม่ประสงออกนามค่ะทำไมทาไมวัดป่าจึงห้ามรับประทานน้ำเต้าหู้แต่ให้ทานดรักช็อกโกแลตได้เพราะน้ำเต้าหู้ก็ทำจากหัวเหลืองเหมือนโกโกะคะ้ค่ะคือแล้วแต่เขาจะแยกแยะ ก, กันไงน้ำเต้าหู้นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนของอาหารเป็นอาหารส่วนไอช็อกโกแลตนี่มันทำมาจากผงโกโก้ผงโกโก้นี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนยาคนป่วยนี่เขาจะ ให้กินกกินกินกินน้ำโกโก้กั น, นแต่ไม่ให้สายนมเท่านั้นเ อ, ง, องนั้นก็เป็นผงโกโก้ผสมน้ำตาลมันก็ไม่อยู่ในส่วนของอาหารก็ก็กินได้ข้อที่สองค่ะโยมสงสัยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความทุกข์ทางใจมากที่สุดจากปัญหาต่างๆในขณะที่สัตว์มีแต่ทุกข์ทางกายเท่านั้น ดังนั้นทําไมเราจึงจะต้องกลัวการเกิดเป็นสัตว์พราเราไม่พราะเราไม่รู้ว่าสัตว์มันทุกข์กว่ามนุษย์ทางใจเนี่ยมันหวาดระแวงหวาดกลัวตลอดเวลามนุษย์นี้ปลอดภัยกว่าเยอะแยะทุกทางใจของสัตว์นี้มากกว่าทุกทางใจของมนุษย์มนุษย์เรานานๆจะทุกข์ทุกทีเวลาอยากขึ้นมาทักทีแต่สัตว์นี้มันไม่มีที่หลับที่นอนที่ปลอดภัยมันจะนอน ตื่นขึ้นมามันอาจจะตายก็ได้ถูกสัตว์ใหญ่กินไปเอห็น <chi> <Yan kee. S 2> มันจะ ม, นมีความหวาดระแวงก่ายกลัวมากกว่ามนุษ ย, ย, ย์เนี่ยความทุกข์ทางใจของสัตว์มากกว่าแล้วการหาความสุขก็ยากกว่ามนุษ ย, ย์เห็นมไหมกาจะกินนี่ลาบากไหมต้องไปไล่จับเขาง่ากัดเขาถึงจะได้กินบางทีอาจจะอดเป็นวันๆกว่าจะได้กินก็ได้เออมนุษย์นี่ถึงเวลาก็ได้กินเลยสามมือ้อสี่มือ้อห้ามือ้อออ จากคุณสิรินะครับหากว่าไม่ได้ฌานจะได้เป็นพระอนาคมีไหมครับะพระอนาคามีนี้ไม่ต้องอาศัยฌานก็ต้องอาศัยฌานเหมือนกันฌานสี่ต้องมีอัปปนาสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาที่ตัดกามราคะกามอารมณ์ได้หมดเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลาอพอจิต ตัดความอยากในร่างกายได้จิตก็จะสงบเหมือนกับเข้าฌานไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบานั่งพุโทโธพุโทโธเพื่อให้มันเข้ามันจะเข้าโดยโดยการทำลายความอยากทางการอารมณ์จากคุณนงรักษ์นะครับบุญต่างๆเช่นใส่บาตรถวายอาหารลงทานพราป่ากระถิมนรักษาสมแปดครั้งละสามวันและอื่นๆตามการเวลากำลังลูกไม่ทราบจริงๆว่าเมื่อไปสู่ พบใหม่บุญนี้จะติดตามไปด้วยไหมคะไปยังไงก็ถ้าตายไปถ้าไม่ได้ทำบาปเวลาตายไปถ้าจิตสุดท้ายบุญมันมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ถ้าจิตสุดท้ายบา ก, กาบากาาบา ม, ากมากกว่าบุญมันก็ไปอาบายจะคุณพิสมัยนะครับด้วยอาชีพเราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบาปใหม่เจ้าคะถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองมันก็ไม่บาปแต่ก็เป็นการส่งเสริมให้คนอื่นก็ฆ่าพอเราเลี้ยงแล้วเราก็ไปขายเขาเขาก็ไปฆ่า กินกันเป็นอาชีพที่ไม่ควรส่งเสริมไม่ควรทำเพราะว่าไปส่งเสริมการฆ่ากันแต่เราไม่บาปแต่เราไม่ได้ทำคำถามจะคุณพักลนวิทย์นะครับอาชีพซื้อขายพระเครื่องบาปไหมครับไม่บาปหรอกพระเครื่องก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งคำถามจะคุณมดแดงนะครับ ละความเกลียดด้วยการคิดว่าเขาเป็นคนที่เรารักมากที่สุดมันทํายากมากเจ้าค่ะชีวิตจริงมันรักไม่รักค่ะก็เลยคิดว่าไม่มีเขาในโลกตายจากไปแล้วถึงจะเห็นเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆก็ตามพอคิดแบบนี้มันเบาขึ้นเยอะแถมจะไม่เกลียดเลยถ้าคิดแบบนี้เรียกว่าปล่อยวางละความโกรธเกลียดหรือหนีความจริงเจ้าค่ะถ้าใจเราไม่โกรธไม่เกลียดเขาได้ก็ถือว่าเราละได้ คำถามอ่ออันนี้เกี่ยวกับลึกตาเหมือนกันนะครับคําถามจะคุณลุ่งนะครับการที่เราบริจาคดวงตาบางท่านบอกเกิดมาจะไม่มีดวงตาจะเป็นไปได้ไหมครับแล้วได้บุญประมาณไหนเป็นไปไม่ได้แร้วเหมนถ้าเราบริจาคเงินกลับมาเกิดก็จะไม่มีเงินสิใช่ไหมบริจาคเงินกลับมาเกิดกับได้เงินเยอะกว่าคนที่ไม่บริจาคเงิน คนบริจากดวงตากลับมาเกิดอาจจะได้ดวงตามากกว่าสองอันก็ได้ <laughs> แต่เวลาตา <laughs> เวลาต า, ต า, ต, าตานี้เสียไปก็มีคนมีคนบริจาคให้เราได้ทันทีอาจารย์แม้ไม่ต้องไปกลัวบริจาคตาแล้วมันจะได้เงแต่ว่ามันจะไม่ได้เพราะเราไม่ได้บริจาคตอนที่เราเป็นไงถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่เราเป็นให้ก็ควักไปเลยเนี่ยเช่นมีสองตาแบ่งให้ตานึ่ะแบ่งให้เขาไปตาหนึ่งเราต้องรู้ว่าเราบริจาค เวลาตายนี่เราไม่รู้ว่าเราบอายจาคถึงแม้เราจะคิดไว้นุ่งหน้าวเราจะบริจากแต่ยังไม่ได้บริจาคฉะนั้นจะบริจากเอาวัยญาณแบบที่จะได้บุญนี่ต้องบอริจากตอนที่เรายังไม่ตายตอนตายไปไม่ได้บุญ <med> แต่ได้ประโยชน์คนที่ตายเขาก็ไปเอาเ อ, าเอาวิญวะไปใช้แต่เราไม่ได้ประโยชน์คนให้จะไม่ได้บุญ <med> ถ้าจะให้ได้ <filho> ได้ประโยชน์ต้องให้ตอนที่เรายังไม่ตายเช่นเรามีสองตายแม่ตายวายไปบัง แบ่งตายให้แม่ไปอัอย่างเงี้ยเราจะได้บุญ <Okay. S 1> พราะเรารู้ว่าเราได้เสียสละเหมือนกับเราทําบุญเหมือนเงินทองเนี่ยพอเราตายไปเงินทองเข้าไปทําอะไรเราไม่รู้ละถึง mm hmm. แ, แม้เราจะเขียนพินัยกรรมว่าให้คนนู้นให้คนนี้ไปแต่เราก็ยังไม่ได้ให้ตอนที่เราเป็นถ้า mm hmm. อยากจะให้ต้องให้ตอนที่เราเป็น mm hmm. เพราะตอนตายแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้ว mm hmm. คําถามเจ้าคุณนงรักนะครับสวดมนนั่งสมาธิก่อนออกจากสมาธิสมาธิ ถวายบุญให้พระพุทธเจ้าทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่ า, าไม่ต้องไปถวายเร า, เราขอทานไปเอาบุญเอามันไปให้มาเศรษฐีใช่ไหมคำถามจาคุณยานิน้นยานินนะครับโยมตั้งใจตื่นเวลาตีสีขึ้นเพื่อมาภาวนาหลังจากนั้นก็เตรียมของไปใส่บาตรบางวันตื่นภาวนาแล้วก็นอนต่อช่วงหลังๆความเพียรตกลงความเพียร เตรมของใส่บาทอยากขออุบายพระอาจารย์ในการกระตุ้นความเพียรขึ้นมาอีกครั้งค่ะก็คิดว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันโอกาสที่จะทำบุญังน้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตสุดท้ายเรามันจะมะกมีแต่บาปบุญไม่มีคำถามจากคุณอยู่ยงนะครับพี่สาวแต่งงานมาสี่สิบกว่าปีทะเลาะกันตลอดเลิกก็ไม่ได้เพราะยังห่วงหน้าตาทางสังคม ดิฉันต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางแก่เกียร์ตลอดมาจะแนะนำอย่างไรดีคะปล่อยเขาไปเถอะไม่ใช่เรื่องของเราเขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาคำถามจะคุณนนท์นะครับเทวดาและผมสามารถทำบุญเองได้ไหมครับถ้าทำได้ด้วยวิธีใดผมนี่ทำไม่ได้เทวดาทำได้วิธีเดียวก็เกิดฟังธรรมถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ที่ติดต่อกับเขาได้ไแสดงธรรม ก็จะได้บุญอย่างอย่างแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปสอนธรรมะจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคุณสามภพนะครับบริกรรมพุทโธแล้วกําหนดเห็นตัวอากาักขระพุทโธเหมือนอ่านในใจแล้วเห็นภาพอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับถ้ามันทําให้ใจเราสงบก็ใช้ได้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมันทําให้ใจเรามีความจดจอ่อมีความตั้งใจทําให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ก็ใช้ได้บางคนบางทีเราต้องหาวิธีที่เหมาะกับเราบางทีเราพูดโธพูดโธรมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอให้มันนึกถึงคําพูดโธด้วยนึกให้นึกนึกถึงตัวหนังสือด้วยแต่ต้องนึกในใจนะอย่าไปลืมตาเปิดดูนะต้องให้มันอยู่ในใจมันก็จะทําให้เราไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คําถามสกุลมะผลทางแห่งการหลุดพ้นนะครับการเดินจงกรมจําเป็นมากหรือเปล่าเจ้าคะ จำเป็นสําหรับคนที่นั่งมากๆแล้วเมื่อยต้องลุกขึ้นมาเดินคือไม่อยากจะเสียเวลาไปทําอย่างอื่นนั่งมันก็เมื่อยก็เลยลุกขึ้นมาเดินแทนแต่เวลาเดินก็เดินด้วยสติอย่างนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติแค่วันละครึ่งชั่วโมงนี้ไม่ต้องเดินก็ได้นั่งสมาธิแล้วก็นอนไม่ต้องไปเดินให้เสียเวลาอันนี้หมายถึงพวกที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตอนนั่งนานๆ น, น, นั่งทีสองสามชั่วโมงเมื่อยเขาก็ลุกขึ้นมาเดินสักสองสามชั่วโมง พอหายเมื่อยเขาก็กลับไปนั่งใหม่ก็จะปฏิบัติอย่างนี้กันคําถามที่คุณตองนะครับการทาทานบุญที่เราได้รับทันทีคือความอิ่นใจใช่ไหมคะแต่ต้องทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความเต็มใจและความไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับถ้าหวังผลตอบแทนมันจะไม่เป็นการทําบุญมันเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนพอให้เขาแล้ว<ม>เขาไม่ขอบใจเราไม่ยิ้มให้เราก็เสียใจ ทันที่จะสุขใจกับไม่สุขใจนั้นทำแล้วไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาหวั ง, เ พ, งเพียงแต่รู้ว่าเขามีความสุขจากการให้ของเราที่นี้เราก็มีความสุขใจแล้วคุณทัทนละดีมีความสงสัยเรื่องจิตสุดท้ายนะครับสามารถบังคับได้หรือไม่เจ้าคะไม่ได้หรอกจิตสุดท้ายมันก็นอกจากพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะบังคับได้พระอื่นนี่มันยังต้องเป็นไปตามกำลังของสติของแต่ละคน ก็บังคับได้ตามกําลังของสติของแต่ละคนอย่างพระโสดาบันก็บังคับไม่ให้ไปอบายได้ <î supplements> พระสกิราคาห์ก็ยังบังคับให้ไม่ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ยังต้องกลับมาเกิดเอกชาติหนึ่งพระอนาคามีนี้บังคับให้ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ปาะอรหันนี้บังคับไม่ให้กลับมาเกิดเลยพระอนาคามียังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรพมก่อน แมันอยู่ที่กําลังสติปัญญาของแต่ละจิตแต่ละดวงจากคุณตองนะครับเราสามารถอุทิศกุศลที่เราทํามาให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาป่วยได้ไหมคะแล้วเขาจะได้รับไหมไม่ได้หรอกบุญนี้ให้ได้แต่เฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู<ม>ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้เงินให้ทางเขาสิเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปจ่ายค่ายาค่าหมอให้เขาช่วยเหลือเขาในรูปแบบนั้น จากคุณพีโกโนะครับวิธีทําสมาธิออวิธีได้สมาธิแบบงูแลบลิ้นไก่กระพือปีต้องทําอย่างไรก็ต้องมีสติอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทั้งวันเวลาว่างก็นั่งถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอกาสที่จะได้สมาธิตอนต้นก็จะเป็นงูแบบแบบงูแลบลิ้นก่อนแล้วต่อไปมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อย จะคุณพลนะครับพระอาหนนท่านใช้เวลาไปกับการดูแลและอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจึงบรรลุหลังสุดเป็นเพราะท่านเวลาปฏิบัติน้อยใช่ไหมครับแต่ท่านก็ยังบรรลุได้จึงอยากทราบว่าหากหากพระอาจารย์เป็นพระอานน์พระอาจารย์มีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับถึงจะเห็นมรรคผลเหมือนพระอาหนน เราไม่ได้เป็นพรนุนนั่นใ่พูดไปเนี่ยการเป็นเรื่องจินตนาการไปเล่าเรื่องพระนุนให้ฟังว่าที่ท่านบนรรลุได้หลังจากที่พระเจ้าจากไปก็เพราะว่าท่านได้ฟังธรรมทุกวันท่านไม่ลืมธรรมะเพียงแต่ว่าท่านยังไม่สามารถเอาไปใช้กับการปฏิบัติได้แต่ท่าน ได้ยินได้ฟังธรรมพุทธเจ้าทุกวันเพราะท่านบังคับพระพุทธเจ้าคือก่อนที่ท่านก่อนที่ท่านจะมารับใช้พระพุทธเจ้านี่ท่านท่านขอพร อ, อยู่8ข้อด้วยกันนะสี่ข้อเป็นข้อที่ไม่ต้องการและสี่ข้อเป็นข้อที่ต้องการสี่ข้อที่ไม่ต้องการก็คือไม่ต้องการรับอะไรพิเศษจากพระ พ, พุทธเจ้ามีจีวรมีอาหารมีกุติอะไรพิเศษท่านไม่ต้องการนะท่านไม่ต้องการรางวัลจากพระพุทธเจ้าแต่ท่านต้องการสิ่งที่พระเจ้าต้องให้คือหนึ่ง ถ้าพระอนุนพาใครเข้าเฝ้าพระพระพุทธเจ้าจาอนุญาตให้พระอนุ์เฝ้าได้ทันทีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียหน้าเป็นเดขาหน้าห้องคนมาขอติดต่อพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไม่ได้อันนี้เป็นเป็นพรที่ขออีกข้อก็คือเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วอนุนไม่ได้ไปด้วยเวลาพุทธเจ้ากลับมาต้องมาแสดงธรรมให้อนนุนฟังเพราะอนนุน รับใช้พระพุทธเจ้าเพราะอยากจะเรียนธรรมะอยากจะศึกษาธรรมะส่วนอีกสองข้อนี้จําไม่ได้แล้วต้องต้องไปค้นคว้าดูมีรู้สึกมีพร อ, อยู่แปดขอ้อเป็นเงื่อนไขที่พระอาอนนท์ได้เสนอไว้ในการที่จะมารับใช้พระพุทธเจ้าอันนี้สองที่เกิดจากการฟังธรรมเนี่ยพอไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยมีเวลาไปปฏิบัติตลอดยี่บสี่ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจนหลับสามเดือนก็บรรลุได้ จะคุณเกษมสัตว์นะครับเมื่อนั่งสมาธิแล้วกําหนดดูลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติดูลมไปเรื่อยๆปรากฏว่าลมหายเหมือนเราไม่ได้หายใจคืออะไรครับก็ลมละเอียดนั้นก็จะก็จะไม่สามารถรับรู้ลมได้ก็ให้ให้รู้เฉยๆไปให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่ากําลังคิดอยู่หรือไม่คิดถ้าคิดก็ต้องหยุดมันถ้าไม่คิดก็อยู่กับความว่างไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเด่นเข้าสู่ความสงบต่อไปจะคุณปอยเสียนนะครับ ค้าขายปลาเป็นสดสดกับการซื้อปลาที่ตายแล้วปลาแห้งเป็นบาปเหมือนกันไหมคะับไม่เหมือนกันอ่ะถ้าเราเอาปลาสดมาฆ่าเนี่ยเราก็บาปแต่ถ้าปลาแห้งนี่เขาฆ่ามาแล้วเราก็ไม่บาปแต่อย่าไปสั่งเขาก่อนล่วงหน้าก็แล้วกันอย่าไปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาปลาแห้งกี่ตัวหรือหรือไปสั่งเป็ดสั่งไก่พรุ่งนี้อยากเป็ดสามตัวเนี่ย ถ้าสั่งลุงนาก็เหมือนสั่งให้เขาฆ่าให้เราแต่ถ้าเรามาที่ร้านเราถามว่านี่มีเป็ดไหมถ้ามีเป็ดตายแล้วเราก็ซื้อไปถ้าไม่มีเป็ดตายเราก็ไม่เอาคำถามจากคุณต้นทุนค่ะถ้าปฏิบัติแบบเต็มที่ตามที่พระอาจารย์บอกจะบรรลุจะบรรลุทำขั้นสูงสุดได้ภายในเจ็ดปีทุกคนหรือเปล่าครับก็พงค์เจ้ารับรองอย่างนั้นไม่เจ็ดปีก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดวัน คำถามจากคุณกรค่ะมีอาชีพช่างเสริมสวยตั้งใจไม่กินข้าวหลังเที่ยงปฏิบัติได้ประมาณสองปีแต่เมื่อเจอคนทักบ่อยๆว่าเปิดร้านเสริมสวยต้องดูดีผอมเกินไปแล้วใจเริ่มคอยตามคนทักควรสอนใจอย่างไรดีคะก็เราไม่ได้เสริมสวยกับตัวเราเนี่ยเราเสริมสวยกับคนลูกค้ า, ขาเขาไม่เกี่ยวกับเราเราเสริมใจเราเสริมสวยความงามทางใจเราอยากจะสวยทางใจเราก็ต้องรักษาศีลคะ สวยทางร่างกายแต่ใจเป็นเปะขิวอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ยาวยังไงยาวสวยทางทางใจแต่ร่างกายอาจจะพร้อมโซ่กพรไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เกี่ยวกันหรอกลูกค้าเขาไม่มาดูคนทำหรอกเขาดูว่าทําแล้วเขาสวยหรือเปล่าหลังหานใช่ไหม <c oughs> ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าคนทําสวยแต่เวลาลูกค้ามาทำแล้วข <c oughs> ี้เหร่เขาจะกลับมาไหม เราดูผลงานของของเราเขาไม่ได้ดูหน้าตาเราหรอกออพอแล้วตอนนี้ต้องฟังเทศอย่างเดียวจากนายพอใจนะครับเวลานั่งภาวนาพุโทโธเพื่อให้ใจสงบโดยใช้จิตมัดกับพุโทโธและใช้สติกำกับจิตแต่เวลาภาวนาบางครั้งสติจะมามายหายจะมีวิธีฝึกให้มีสติอยู่กับเรานานๆอย่างไรครับก็ต้องฝึกทั้งวันไงทัดพุโทโธไปทั้งวัน เกิดขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทาอะไรก็พุโทโธพุโทโธไ ป, แ ล, ไปแล้วดอไปพุทโธมันก็จะอยู่กับเราตลอดจะคุณทะเลนะครับสารพระภูมิเก่าแล้วพังลงมาถ้ารื้อออกแล้วไม่ตั้งใหม่ได้ไหมคะได้แล้วแต่เราเราอยากจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้จะคุณเนธนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีคู่แท้หรือไม่มีครับ ก็ถ้าอยู่กับเราไปจนวันตายก็คู่แท้ถ้าอยู่แล้วจากกันก็ไม่ใช่คู่แท้จะคุณมนตีนะครับถ้าพระที่ได้พระอนาคามีแล้วไม่มาเกิดแล้วใช่ไหมครับไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังไม่เกิดเป็นพรอมอยูจะคุณนงรักนะครับนั่งสมาธิแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ชจบกรรมนเวรเขาจะได้รับไหมคะ แล้วแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นเปดตหรือไม่เป็นเปรตถ้าก็เป็นเปรตเขาก็ได้รับถ้าเขารอรับแต่ถ้าเขาไม่รับแล้วเขาเขาก็ไม่ได้บางทีเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วเขาโกรธเขาเกลียดเราให้อะไรเขาเขาก็ไม่เอาเขาอยากจะฆ่าเราอย่างเดียวเองก็เขาก็ไม่รับอยู่ที่เขาจากคุณพีโกนะครับทําบุญแบบผ่อนส่งสิทเดือนแต่ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองได้บุญไหม ได้ก็เหมือนที่บอกเอาเงินใส่กระปุกทุกวันก็เหมือนกับทาบุญผ่อนส่งฆ์พอถึงเวลาเราก็เอาเงินที่ใส่กระปุกไปถวายวัดเนี่ยจะคุณนภพลนะครับเดรชาคิดได้เหมือนมนุษย์ใหม่ครับได้แต่งั้นจะรู้เลยว่ามันจะหาอาหารกินยังไงมันก็คิดได้มันเห็นอะไรมันก็รู้ว่าเป็นภัยหรือเป็นไม่เป็นภัยหมามันเห็นเจ้าของมันยังก็เด็กหางได้มันก็คิดได้มันมีจิตเหมือนเราแต่ว่าตอนนี้จิตของมันไปติดอยู่กับร่างกายของหมาท่านเอง พวกเราก็มีจิตแต่จิตของเรามาติดกับร่างกายของมนุษย์ก็คิดเหมือนกันคิดตลอดเวลาคำถามจากคุณพัทลพงค่ะเคยลองอดอาหารเพื่อไม่ให้ง่วงผลปรากฏว่าหิวจนใจสัน่นตัวสัน่นแม้ไม่ง่วงจริงแต่ไม่สามารถสงบจิตได้ต้องทำอย่างไรครับก็อย่าไปอด่กินครึ่งเดียวก็พอลดผ่อนอาหารก็แล้วกัน ถ้าอดไม่ได้ก็ผ่อนฮะกินสักสิบคำแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปให้มันอิ่มะจะคุณชาญชัยนะครับนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธอย่างเดียวยังอาจเผลอคิดเรื่องอื่นหรือกำลังกลัวสิ่งรอบข้างอยู่ถ้าพุทโธด้วยพร้อมนึกพระพุทธรูปแล้วมีกำลังใจขึ้นทำอย่างนี้ได้ไหมครับได้ทำยังไงก็ได้ใหเราหยุดคิด่ะจะคุณพีมนะครับอยากบวชแต่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวช ขอทาบก็อดข้าวเลยยอมตายครับเดี๋ยวพ่อแม่เห็นจะตายก็ให้บวชเองอันนั้นสมัยพุทธการก็มีเศรษฐีมีลูกชายมีลูกชายคนเดียวกลัวถ้าลูกไปบวชแล้วไม่มีใครรับมรดกก็เลยไม่ยอมให้ไปบวชลูกชายก็เลยอดข้าวอดแควหั่งพ่อแม่ยอมกลัวตายกลัวลูกชายจะตายก็เลยให้ไปบวชแต่คุณซีซั่นเชนนะครับ เราไปทำบุญมากลับมาบอกญาติพี่น้องว่าไปทำบุญมาํำบุญมาฝากแล้วเขาสาธุเขาจะได้บุญไหมคะได้ไงเขาก็มีความสุขใจที่เห็นเราได้ทำบุญผู้ไม่ประสมออกนามนะครับหากเรารู้ว่าผู้ชีวิตไม่ดีแต่ยังตัดกันไม่ขาดเพราะยังสงสารลูกเราเลยคิดว่าคงต้องชดใช้กรรมที่เราเคยทำกับเขามาและสวดมนต์อุทิศให้เขาเพื่อจะได้หมดกรรมต่อกันแบบนี้เราคิดถูกหรือทาถูกไหมคะ ก็ตามได้ที่เราถ้าต้องอยู่กับเขาก็อยู่กันแบบอย่าไปเบียดเบียนกันก็นแล้วกันอยู่ไปเหมือนเป็นเพื่อนกันไปจะคุณอานองนุชนะครับคนไข่โลกย้ำคิดย้ำทำําสามารถทาสมาธิได้ไหมเจ๊าคะถ้าคิดแล้วมันก็จะทําสมาธิไม่ได้ต้องหยุดความคิดเี่ยต้องให้มาพุทโธพุทโธเปลี่ยนความคิดจากคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาให้คิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธ ถ้าคิดอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวได้ก็ทำสมาธิได้จะคุณพรกระหนกนะครับน้องชายป่วยได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหายแล้วจะมาบวชสิบห้าวันให้เจ้ากรรมนเรเวนของโรคที่เป็นเขาจะยอมรับไหมคะก็ไม่รู้แหละก็มีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะคุณนภพล น, นะครับสาเหตุที่จิตสุดท้ายเมื่อเราตายไปไปจิตในคันเดระฉานเป็นเพราะอะไรก็เพราะเรา เกี่ยวกับบุญมากน้อยอย่างไรครับก็โดยหลักก็คือบาปเรามากกว่าบุญไงพะบาปมากกว่าบุญบาปมันก็มีกำลังที่จะดึงเราไปอบายยกเว้นในกรณีบางกรณีเช่นความห่วงใยความผูกพันมีมากก็อาจจะดึงเราไปเป็นอะไรก่อนเช่นพระพระนี่บวชมานานมีบุญเยอะแต่บารักจีวรห่วงจีวน พอตายไปก็เลยมาเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรก่อนเกาะได้ประมาณเจ็ดวันก็ตายไปพอตายไปแล้วถึงจะไปรับผลบุญที่เกิดจากการที่ได้ทำทาบุญมาจากการบวชเนี่นในช่วงที่ตายใหม่ๆนี้อาจจะยังไม่ได้ไปเป็นไปเพราะอำนาจของบุญของบาปแต่ไปเพราะอำนาจของความรักความห่วงใยนะพอรู้ว่ากลับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะมา มามาอยู่กับสิ่งที่ตนเองรักได้ก็พอตายไปก็ไปเลยจนเป็นเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรตัวเลนก็ไม่ได้ห่มจีวรแล้วพอรู้ว่าไม่มีโอกาสที่จะใช้จีวรผืนนี้แล้วพอเป็นตัวเลนตายไปปั๊บก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปคำถามจากคุณพัพชรินค่ะการงานไม่ราบรื่นควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะจะ ทำไปตามหน้าที่ทำไปตามเหตุการณ์งานการต่างๆมันก็มีอุปสรรคบ้างเหมือนเรานั่งเรือในทะเลบางทีคลื่นก็เรียบบางทีก็คลื่นก็มากเราก็นั่งของเราไปเรื่อยๆทำของเราไปเรื่อยๆพยายามประครับประคองงานของเราใจของเราอย่าให้ไปล่มสลายกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากคุณคริปต้วินค่ะ กราบขอวิธีทําใจไม่ให้มีความทุกข์เวลาเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากที่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ค่ะก็คิดว่าเป็นเป็นวิบากของเขาชาตก่อนเขาไปทําอะไรมาชาตินี้เขาเลยต้องมารับผลบาปของเขาจะคุณชีวิตยังมีอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นนี่แล้วไปบวชได้ไหมครับต้องใช่นี่ให้หมดก่อนนะหมายความว่าถ้าเกิดไปบวชเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดข้างนอกเนี่ยเป็นนี่เขาในมกขจะตาม ความรู้สึกเราเข้ามาใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อถ้าอันนี้ไม่เกี่ยวไหมถึงหนี้ที่เป็นเงินทองนะทรัพย์สินถ้าเป็นหนี้ก็ต้องไปไปใช้หนี้ให้หมดก่อนงั้นเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมาทวงเนะเดี๋ยวก็มาตีกันในวัดเอง <laughs> อะจะคุณเดอะวรลัตนะครับดีวรัตนะครับเวลาเข้าวัดไม่รู้ธรรมเนียมมารยาทบางอย่างแต่ใจอยากไปวัด จะเผลอไปรับบาปหรือไม่ครับอ๋อไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ทําด้วยเจตนา<ม>ก็ก็ไปก็ไปศึกษาดูเวลาเราไปที่ไหนที่เราไม่เคยไปเราก็คอยสังเกตดูหรือถามคนก็ดูว่าทําอย่างไรต่อไปก็รู้เองถ้าผิดพลาดก็โดยที่ไม่มีเจตนาก็ไม่บาปวันนี้น่าจะพอเท่านี้แล้วครับผมแค่นี้เหรอโอเคหมดเวลาพอดีนะก็ขอให้ท<บ>่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้